ท่านสาธุชนวุฒบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาคุยกันเพงเรื่องมโหสถบัณฑิตต่อไปอย้อนต้นนิดหนึ่งที่พระเจ้าวิเทียรราชบรมกษัตริย์เห็นกองทัพของพระเจ้าจุนันยิมทัตไปล้อมนักธรรมอาจารย์ทั้งสี่อาจารย์นักสี่บอกว่าเป็นกองเกติยศ แต่ว่ามโหสดแจ้งว่าเป็นกองทัพที่จะมาจับพระองค์ตอนนี้นะก็มาจบตอนนี้วันนี้ต่อไปเมื่อพระเจ้าเมื่อก่อนโมโหสดได้ฟังพระราชาข้ามโครนดั่รีว่าพระราชานี่ไม่เชื่อเราตั้งแต่ตนเห็นไหม คอยแก่อยาจะกินย่าอ่อนเนี่ยปียโตชายติสกุความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักนี่เพราะรักอีหนูอย่างเดียวในอยากจะได้อีหนูชีวิตจะต้องตายปียโตชาติเยัางอันตรายจะเกิดจากความรักเห็นไหมเสียใจว่าเวลานี้เราเสียท่าเขา น่นเราอาจจะตายเพราะน่ายของความรักที่พระพุทธเจา้าทรงตัดนี่ไม่ผิดเป็นอันว่ามทศหรือกราบทุลดังนั้นคิดว่าไม่เชื่อแต่ต้นเชื่อไอคนปากมากคือไอเท่าสารพัดฟิษเซเพยคือเสนกไอเสนก เ, นเรียกเขาเรียกไอเซเพยเชื่อคนอื่นมากกว่าเราเราจะต้องทรมานพระองค์ต่อไปจะไม่ดีนะลูกหลานที่รัก ถ้าผู้ใหญ่ที่เราเตือนแล้วไม่เชื่อแต่เราหวังการช่วยเหลือแต่ก็ต้องให้รู้สึกตัวตัวโง่ถ้ามิเช่นนั้นแล้วก็จะทนลงตนตราภายหลังนี่ไม่กราบทว่าข้าแต่พระรมรรสพระเจ้าค่ะพระองคทรงประมาทมากเกินไปข้าพระองค์ได้กราบทูลห้ามปรามแล้วว่าแล้วเมื่อก่อนที่จะเสด็จ พระองค์ไม่ด้ยินยอมไม่เชื่อข้าพระบาททรงกับทรงกรุ้วข้าพระพุทธเจ้าบัตรนี้แล้วก็บัตรนี้นักอาจารย์ทั้งสี่ก็อยู่ที่อยู่ที่ของพระองค์นะอยู่ที่นี่ <c oughs> ของพระองค์ทรงรับสั่งให้อาจารย์ทัสี่เป็นผู้ที่แสดงความฉลาดรอบขอบต่างคนต่างทุนนี้เจ้าข่ี้เจ้าข่าไม่เป็นไพยเจ้าค่ะ หาทางป้องกันพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะเอาดีนี่ต้องดัดส้นดานคนแก่ที่มีความโง่แต่ว่าก่อนจะก่อนที่จะดัดส้นดานเราเป็นคนชาติเดียวกันเราต้องคิดป้องกันชาติไว้ก่อนถ้าเรากรดคนคนเดียวแล้วปล่อยชาติสลายนั่นหมายที่เราบนไหนด้วย ช่วยกันหาทางป้องกันเมื่อเขายังโง่อยู่ก็ต้องสอนให้รู้สำ น, นึกอย่างมโหสถเหมือนกับผู้ใหบ้านก่อนนี้ผู้ช่วยผู้ยบ้านก็ดีกำนันก่อนดีนายอำเภอก็ดีข้าราชการอำเภอก่อนดีผู้ว่าราชการจังหวัดคณะกรรมการณจังหวัดเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆและดนตรีผู้แทนที่ไม่ดีเราควรจะสั่งจะสอนได้วลีลายอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลานี้ข่าวไม่ดีปรากฏแต่ว่าคนดีเขาก็มีมากจัดการก็คนไม่ดีอยู่มากแล้วอยากจะ้อนใจไปประเทศไทยของเรากําลังก้าวขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก้าวขึ้นในลูกหลานที่รักจอยใช้การนำมัตตาวให้มากเราเป็นเนื้อชิ้นเดียวที่เสือสี่ตัวกําลังกำมัญอยากจะกินแต่ว่าเสือตัวใดบ้างที่จะเข้ามากินก่อน เมื่อเข้ามากินก็นับหมายว่าเสืออีกสามตัวนั่นแหละกําลังจะเข้ามาขยําด้วยตอนนี้ช่วยกันขยำแต่ว่าเสือต่อเสือแล้ว่เสียงต่อเสียงจะต้องประหารปรหารกันในเขตประเทศของเราจะน้ำเช่นนวห่การสงครามโลกมันอาจจะเกิดจากเขตประเทศไทยก็ได้น้องปู่ใช้คําว่าอาจจะนะ ไม่ได้รับรองว่ามันจะเกิดแต่ถ้าว่าทั้งเสือทั้งสิงห์ที่มีความประกษาชินเลือที่เป็นโอชาคือประเทศไทยที่มีทรัพยากรมหาศาลนําขึ้นมาใช้ได้เราจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ของโลกแต่ว่าสิ่ ง, งหลายเหล่านี้ถ้าเราไม่สามัคคีกันคิดแต่จะหักล้างจะยอมตนเป็นท้ายของต่างชาติ เราก็น่าเสียใจคุยกันต่อไปเื่อเน่มีให้ตอนนี้ไปแล้วโมโหสุดบอกว่าถ้าจะแก้ไขแล้วก็ถามถ้าอาจารย์นาซีผู้มีความเฉลายก็แล้วกันที่เก้่ขข้าแต่แล้วทโก็ตอบไปว่าข้าแต่บริมกษัตริย์ปลาอยาเจะกินของสด คือเหยื่อที่เบ็ดย่อมไม่รู้จักความตายชั้นใดพระองค์ทรงปราถนาในกามรมหือในกามคุณย่อมไม่ได้ทรงทราบว่าพระราชนิดิาของพระเจ้าจุลนีเป็นประดุษสหมืเหยื่อพระองค์ราพระองค์นี่เหมือนกับปลาไม่รู้จักเหยื่อคือความตายของของตนนั้นพระเจ้าค่ะ ข้าแต่พระองค์ผู้จอมทลายชาวจอมประชาชนบุรุษอ น, นารยะอ น, น า, า, ยารยะแปลความไม่เจริญน่ะอ น, นารยะย่อมเป็นเหมือนงอยู่ในในพกผู้มีปัญญาย่อมไม่ทําไม่ไมตรีกับบุรุษผู้อ น, นารยะเหมอ น, นารยะเนี่ยคนที่เป็นภัยจอหาความเจริญไม่ได้ เพื่อการสมาคมกับโุรุตผู้อนาระยะคือศัตรูก็รังแต่จะนําทุกมาให้ถ้าแต่พระผู้จอมนี่ก็ชนโุรุตผู้อนาระยะมีศีลเป็นผู้โหสูตรนะมีศีลเป็นผู้โหสูตรขอโทษเอเมย์นะถ้าแต่พระผู้จอมนี่กรเชนโุรุต อริยะหมายว่าบุรธธุรษที่ประเสริฐย่อมมีศีลเป็นผู้สูตรหมายความเป็นผู้ทรงศีลนะเพรสูตรเป็นผูดจําดีนะปกติเป็นผู้มีศีลลูกหลานจะไม่ดีนะลูกรักนะย่อมรู้คุณค่าของไมตรีผู้มีปัญญาย่อมทำไมตรีด้วยบุตรผูเร้เป็นอริยะคือคนที่ฉลาด เพราะการสมาคมกับบุคคลผู้เป็นอาญะคือคนเจ้าดย่อมนำความสุขมาให้ข้อนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าอสิวันนาจะพาลานังปันติตานนัณะเสว น, นาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคะวุตมังเพื่อหนึ่งจงอย่าคบคนชั่วคนชั่วเป็นปจจเป็นปัจจัเคยเกิดความทุกข์ สองคบแต่คนดีคนดีก็ให้เกิดความสุขการบูชาคือการยอมรับถือปฏิบัติตามคนดีย่อมเป็นอุดม ม, มงคลแต่ว่าพระเจ้าวิเทยาราชไปคบเจ้าทรชนสี่คนมายุโยงส่งเสริมซึ่งเป็นคนไร้ปัญญาจึงได้เกิดความทุกข์ขนาดนี้ว่าต่อไปมาโหสถต่อกราทูนต่อไปว่าข้าแต่พระราชาพระองค์ไม่รู้กิจอัน เ, เป็นมงคลของกษัตริย์ ไม่เหมือนอาจารย์เกวัตกับคนอื่นๆย่อมรู้ความเจริญอันเป็นมงคลของกษัตริย์ข้าพระองค์รู้จักแต่เพียงคันไถแน่ขอ้อใงไงนะย้อนใหม่นะข้าแต่พระราชาข้าพระองค์ไม่รู้กิจอันเป็นมงคลของกษัตริย์นี่โหสโศกเขาทำตัวนะ ไม่เหมือนอาจารย์เกวัตกับคนอื่นๆไอ้คนอื่นเหนนมือนเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้แม่อีสีคนเนี่ยไอ้เสนกัไอ้สีตัวไม่เหมือนกับอาจารย์เกวัตไม่เหมือนอาจารย์เกวัตกับคนอื่นย่อมรู้ความเจ ร, ริญนั้นเป็นมงคลขอ ง, ของ ร, รัศด์ข้าพระองค์รู้จักแต่เพียงคันไถเพราะเป็นลูกชาวนาและกิจการของชาวบ้านเท่านั้น ไม่รู้ทั้งกิจของกษัตริย์ข้าพระองค์ตัดสั่ราชบัลุกให้ไสคอข้าพระบาทนี่ยในเวลานั้นที่พระองค์ทรงจัดให้ไสคอให้ราชบัลลุสคอข้าพระพุทธบาทออกไปเพรข้าพระพุทธเจ้าพูดไม่เป็นมงคลแกกษัตริย์พระเจ้าค่ะแม่นี่มันทั้งศอบทั้งเข่าต้องมัดทุกต้องมาตัวรอกันด่าถึงข่าวชกมันต้องชก ถึงคราวที่ผู้ใหญ่ดื้อด้านไม่รับการตักเตือนของเด็กไม่เหตุผเกิดขึ้นเราก็ต้องสอนกันแบบนี้รูปหลานที่รักจำให้ดีนะว่าผู้ครองประเทศผู้รับสนองเราควรจะรู้ว่าเขาควรจะมีกิจประการใดเมื่อใครไม่ทำกิจอย่างนั้นควรจะสอนให้รู้สำนัก ถ้าหนึ่งจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ดีคนในจังหวัดไม่ดีคนทุกคนในจังหวัดลุกขึ้นมาพร้อมกันว่าข้าราชการเรลวๆอย่างนี้จังหวัดนี้ไม่ต้องการอย่าไปกลัวเขาจะใช้กฎหมายเข้ามาบังคับกฎหมายทําอะไรไม่ได้เพราะเราทุกคนมือเปล่าร้องเรียนเข้าไปพร้อมกันผู้ใหญ่ที่เหนือกว่า ถ้าผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าไม่พิจารณาสแสดงว่าผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าเลวด้วยเป็นต้นของคนเลวยุยงสองเสรมให้พวกนี้มาทำความเลวเลาวจใจอาภรณ์นัเสียด้วยพอดเรื่องเอาการจริงจริงจังเตะจะไปฆ่าเขานะ่ะอย่าทำให้มันผิดกฎหมายอย่าทำให้ผิดอาเบียบประเพณีอย่าทำผิดจิยธรรมว่ากันตรงไปตรงมา อย่างน้อยที่สุดเขาจะมาเก็บภาษีก่อนบอกฉันไม่ให้เงินของฉันหามาได้ยากถ้าแกยังเอาคนเลวๆมาปกครอในเขตที่ฉันอยู่นี่ฉันไม่ให้เด้ขาดเงินของฉันหามันได้โดยยากฉันจะไม่ดี้ยงตัวฉันจะไปให้คนเลวไปกินไปใช้แล้วมาเปน็นนายฉันนี่ฉันไม่ต้องการลุกมันขึ้นมาแบบนี้เป็นยังไง แต่ว่ากิจการงานทุกอย่างจงยาทำลายยาทำลายวัตถุนั่นหมายัพย์สิ่งของเรายาหยุดงานที่เราทำใเราจะจนเป็นประเทศทุกคนรวมตัวกันไม่ยอมรับและถือ ว, ว่าขา้าราชการคนนั้นเป็นคนที่เราจะต้องการรับใช้ต่อไปเราจะใช้เขาต่อไปให้ถ้าเขาบอกยาย้ายบอกอย่าย้ายนะั้นจะทําความยิบหายในจังหวัดอื่นให้ไล่ออกไปเส้นเดี๋ยวนี้ ดิฉันั้นฉันทั้งหมดจะไม่ยอมเสียภาษีก่อนจะไม่ยอมรับนับถือคําสั่งเขงาใรกันแม้แต่ประการใดทั้งหมดเราไม่มีอาวุธขยหาเราเป็นขบฏไม่ได้เราต้องการขับคนเร็วคนไหนดีเราไว้คนไหนไม่ดีเราขับสายไล่ส่งไปหมดเรื่องทําเท่านี้ก็พอผู้แทนรัศดรจังหวัดเราไม่ดีเราลิงเข้าไปเถียงสภา ว่าผู้แทนคนนี้ไม่ดีโกหกชาวบ้านบอกว่าจะมาเป็นผู้แทนในมาอยากเป็นรัฐมนตรีรือ ไ, ไม่เอาคล้ายๆเอาไปเอาคนที่รองลงไปได้คะแนนลงไปขึ้นมาเป็นผู้แทนแทนนี่อย่างนี้เราทำแค่เส้นหน่อยเดียวเดียวเ ข, เขาเขียนใหม่ได้กฎหมายเอากันจริงๆว่ากันทั้งจังหวัดทั้งหนุเล็กเด็กแดงไอ้หมด ในนี้ถ้เราพร้อมใจกันมีความสามัคคีกันขันการเร็วมันก็ไม่มีผู้แทนเร็วมันก็ไม่มีไอ้ที่ยังมีขันการเรวผู้แทนเร็วก็เพราะว่าเราไปติดเบียยเขาดิเอาบ้างไม่เอาบ้างบางคนเขาให้กินเหล้าเมากินเมาเดียวก็ยกนิ้วเขาซะแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ดีเขาไม่ดีได้เพราะเราสนับสนุนความไม่ดีของเขาเอาก็เสียทีมันถึงเวลาแล้ว คุยกันต่อไปว่าขอเนช้ถ้อยคําที่ข้าประบาทข้าพระพุทธเจ้ากราบทูล น, นั้นทั้งหมดเวลานี้เป็นเรื่องของอดีตไปแล้วเขาพระองค์ทรงระลึกได้ระลึกได้ก็เมื่อพระองค์เสยทรงขับไล่ใ ส, ส้ทรงข้าพระพุทธเจ้าจะข้าพระพุทธเจ้าออกไปแล้วเช่นไหนจะต้องมาแตะ ถ, ถามข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโดยลำแจวขาด เวลานี้ก็ควรจะปรึกษาจารย์นักสี่ที่เขาบอกว่าดีนี่พระเจ้าวิเทาราทรงฟังคำขอ ง, มองโมโหสดดังนั้นจิน้คิดว่ามโหสดแสดงโทษที่เราทำไปแล้วพระมโหสดรู้แน้ว่าจะมีภัยเกิดขึ้นจีนีกล่าวทักถุนยํำดีเราเท่งนี้ก็คงไม่ปล่อยให้เราถึงกับความพินาศแน่นี่ทายผลดีเหมือนกัน ถ้าโกรย์ก็ตายปล่อยให้ตายไปเลยไอค้คนโง่แล้วก็แกมญิงนะปล่อยให้ตายไปเลยเขาคงจะหาทางป้องกันมาให้เราแล้วเนี่ยเราฉลาดฉลาดเหมือนกันไม่งโง่พระราชาโง่ไม่มีแต่สายที่อยู่เป็นอยู่ในเรื่องข้องโลกกีสัยไม่ใช่พระอริยะอดงโง่ไม่ได้เป็นธรรมดาธรรมดาเขาคงไม่ปล่อยให้ภัยภัยเกิดขึ้นกับเราคงป้องกันหวังการป้องกันภัยไว้แล้ว เราต้องอาศัยโมโหสดตลอดไปเพื่อสรงเมื่อสร ง, งดำเนินเรน่องแรกจินตัดว่าพ่อโมโหสถพ่อโมโหสถบัณฑิตลูกรักบัณฑิตเขาไม่ทิ่มแทงโทษที่ร่วมมาแล้วดีหอกเนี่ยพบชอบนะว่าตามธรรมดาบัณฑิผู้ฉลาดเนี่ยเขาไม่ทิ่มเขาไม่แทงถึ ง, ทงโทษที่ร่วมมาแล้วดีหอก คือปากกันดอกนะลูกรักนะก็เพราะว่าแต่เจ้ามาทิ่มแทงเราให้เหมือนกับม้าที่เคริ่มที่ผูกเครื่องถูกทิ่มแทงในเหล็กแหลมทําไมเลยจ๊ะในตาธรรมดาคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาไม่ทิ่มไม่แทงกันเรื่องที่มันแล้วมาแล้วเวลานี้ลูกมาทิ่มแทงพ่อเพื่อประโยชน์อะไรถ้าอย่างนั้นโคตอ่อน แต่หายเจ้าเห็นนุมบายที่จะทําให้เราพ้นภัยหรือว่าความสุขสวัสดีจะพมีแก่เราจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ขอให้พ่อบอ ก, กบเรามาด้วยดีก็แล้วกันอย่ามาที่มาแทงพ่อได้เรื่องที่ลวงนะมาเลยลูกรักเห็นใจพ่อเถอะเวลานั้นพ่อกลเมาอาจารย์นักสีเขาว่าดีพ่อก่อนนึกวันดีแล้วเกย์ไว้เข้าไปเขาว่าทาาําดีพ่อก่อนนึกวันดี ขอโทษให้พ่อเด็กกันแล้วกันนะลูกรักนะนี่ผู้ใหญ่ที่ดีก็ทําอย่างนี้ท่านผู้ใหญ่ฟังไว้แล้วก็จําเลยนะจะถือว่านี่กูเปนปู่มึงนะกูเป็นพ่อมึงนะกูเกิดก่อนนะมึงจะมาสอนกูเจอเลยว่าคนทุกคนเนี่ยมันมีทั้งความโง่และความฉลาดอย่าคิดว่าเด็กนะไม่ทันผู้ใหญ่หรือไม่ฉลาดเท่าผู้ใหญ่แต่เด็กก็จงอย่าคิดว่าผู้ใหญ่งโง่เสมอไป ให้เหตุใช้ผลเป็นสำคัญคนทุกคนพระพุทธเจ้ากล่าวว่านิสมะกระนังสโยใครควรพิจารณาด้วยปัญญาเอาเหตุเอาผลเอาประวัติศาสตร์เข้ามาเทียบเส่ยก่อน เ, อเรื่องราวที่เกิดมาก่นกอนมาเปรียบเทียบแล้วจึงทำอย่างนี้จะปลอดภัยเพรสะโสดาบวนซ้ำเติมทรมานพระเจ้าวิเทาราชให้หนักขึ้นไปอีกนี่มันก็เป็นการสมควร ว่ารกรรมที่มนุษย์ก่อถึงจะล่วงเลยไปแล้วก็ไม่อาจจะแก้ไขได้พูดใดทำกรรมไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามผู้นั้นจะต้องได้รับผลของกรรมดังนั้นข้าพระองจึงไม่สามารถจะปลดเปลืองพระองค์ให้พ้นไปจากภนยรายได้เขากเราโสาบ ด้วยเถิดพระเจ้าข่าอามาละสีไไมล่ะมันต้องสอนกันในวิธีเธอมันไม่งั้นไม่รู้สึกตัวจะมีการทะนงเสด็จไปพระเจ้าวิเทหราชได้สนับถ้อยคำของโมโหสดก็ต้องจำนวนตามหลักตามความเป็นจริงจึงไม่ตัดว่าอะไรต่อไปประทับนิ่งเฉยจนปัญญาในความจริงถ้าเป็นน้งปูนะ หลวงปู่จะยกมือไหว้โมโาหสุรเลยโมโมโหสุ ด, าาสดลกรักพ่อยอมรับผิดในเมื่อพ่อผิดไปแล้วให้อขอลูกแก้วจนให้อภัยกับพ่อได้เถิดนะแต่นี่ท่านพูดไม่ออกมนันตื่นตานใจนี่กล่าวต่อไปถ้าอาจารย์เนสนอกแต่บาทีนั้นอาจารย์เสนอกนว่าจะไม่เป็นการเข้าใจไม่เป็นการเข้าใจ เอาว่าอะไรเออหนังสือนม่ละเถอะอาจารย์เสนลกคิดว่าตอนนี้เอมันยังไรกันแน่เนาะเขาไม่เข้าใจแง่สุดคงไม่คิดจะช่วยเหลืออย่างไรเลยกำบมึงแถามาราชาก็ทรงเดือดร้อนแล้วก็วุ่นวายถึงกับไม่พูดอะไร ตรัดไม่ออกพูดไม่ออกการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ถ้ามโหสถถอนตัวเสร็จแล้วก็คงจะถึงความผิด น, น่าจะแน่หมดไม่มีใครเหลือตายหมดสเสนเอาจีงอ่อนวอนโมโหสถว่าท่านมโหสถบัณฑิตอันุรุตที่ไหวเวียนอยนู่ในกลางมหาสมุทรเมื่อยังไม่เห็นฝั่งหากได้เครื่องยึดเหนี่ยวคอไปที่มันลักได้ในที่ใด เขาก็จะรับความสุขในที่นั้นฉันใดท้านาโอรสสดขอท่านจงเป็นที่พึ่งภูมิลักของปราชาและของพวกขบวเจ้าทั้งหมดเถิดเพราะท่านเป็นผู้ประเสริฐ เ, เลิศและยิ่งไปหมายความว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐ เ, เลิศไปด้วยปัญญายิ่งกว่าพวกขบวเจ้าขอท่านจงโปรดเรื่องภัยวิบัติครั้งนี้ด้เถิด ไม้คนแบบนี้มันน่าเตะให้ดินเลยเวลาแสดงความโง่และอวดยิงไอ้เวลานี้เป็นอย่างนี้มันลอบพักไปดินพะปปปปปอันนี้ถ้าจะหยาบไปหน่อยลูกหลานที่รักขอไพยน้ำปูนี้นะเมื่อสมัยหนึ่งหน้ำปูชอบแบบนี้ถ้าใครมันยิงยาโสโมโหไพยเกิดขึ้นว่ามีคราวหนึ่งมีคนเขามาล้อมจะตี ไอ้เรื่องที่ยาโถน้องปู่ยาโถเขาล้อมตีก็ไอ้คนของน้องปู่คนหนึ่งมันไม่ใช่เพื่อนแท้มันไปที่เลยมันไปเกียเลยกับเขาเขาก็พาพวกมาจะล่มตีไอ้อเจ้านี่เป็นตัวการมันจะหนีแล้ว เ, เราบอกผู้นั้นบอกเดียเด๋ยว ก, ก่อนเดี๋ยวก่อนพวกแกจะตีกับฉันจะตดจะฆ่าจะฟันมันมันเรื่องมันยากกว่าเดียเด๋ยวก็เดี๋ยวดีสู้กันแต่ขอให้ฉันจัด ก, การล้วพวกขั้นฉันเสีก่อน มันหาเรื่องเดือดร้อนมันแล้วมันจะหนีเพราะว่าจบก็ไม้กระ บ, บองตีกระ บ, บานไอ้คนหาเรื่องปักกว้งให้ไม่ยากตีโป้งเดียวเรียบชักไม่ไหวไม่ดิน้นเรียบสงบพอเจ้านี่เรียบร้อยวเวลาหลวงปู่กระบอกว่าเอ้าวพวกเราถ้าต้องการยาฆ่ากันเชิญเข้ า, า, ขามาได้เราสามคนเธอสิบคนแต่ว่าเราต้องสองฝ่ายต่างคนต่างไม่มีเรื่องก่อขึน้นมาก่อน ไอคนที่ไปทําให้เธอโกรธมันสลบไปแล้วแต่เธอเห็นว่าฉันเป็นมากัเจ้าหนี้แต่ความจริงเจ้าหนี้มันไม่ได้มากไม่ใช่เพื่อนแท้มันไปเกรกับเขาเธอจะร้องโทษเขาเราก็พร้อมรักตอนนั้นทาําไงชักปุยเข้มาคนละสองก็ บ, บอกสองคนหกกระบอกบอกเข้ามาได้เลยเพื่อนรักถ้าอยากจะฆ่าคนที่ไม่มีความผิดเชิญเข้ามาได้ เจ้าสิคนวางาวุธยกปืนไหวบอกพร้อมแล้วพอแล้วฉันโกรดคนคนเดียวฉันไม่โกรดคุณนะสามคนทันั้นเราก็ไม่ทําอันตรายกับท่านก็นเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาจับปืนกันดีกว่าคุณวางอาวุธฉันนะเอาปืนใส่กระเป๋าปืนนี่วางไม่ได้ไม่จับมืก น, นกันเขาชวนกินเหล้าบอกฉันไม่กินไม่เป็นเราไปกินข้าวแกงกันดีกว่าไปกิน กินกาแฟแล้วไปนั่งกินกาแฟคุยกันในะที่สุดก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันนี่ไอคนที่มันมันเง่แกมหญิงมันต้องสั่งสอนกันแบบนี้นนั่นนั่นเรียกแบบแบบสสอนแบบเบาที่สุดตีสลบกี่เบาที่สุดเคยสั่งสอนคนไปเมืองผีเท่าไหรถ้ามันเลวรายอันนี้สั้สนขนาดเบาๆโป้งเดียวสลบตีเดียวมาตะคด น่นะดีสุดคนนี้เขาประกาศเร็นสตรีก็กลายเป็นเพื่อนและต่อไปก็เป็นเพื่อนที่ดีเพราะพราะหลวงปู่ไม่กินเหล้าสมัยก่อนหลวงปู่กินเหล้าไม่เป็นกิ น, นเล่กนการพ น, นันไม่เป็นเจ้าชู้ไ ก, ก่แจ้ก็ไม่เป็นแต่ว่าถ้าเจ้าชู้พอจะได้ผลแน่นอนก็เอาแน่คือตอนนี้ไม่หลีกถ้าหลีกไปเขาก็าหาว่าขาดเม่ตาแต่ลูกหลานเนี้ยเป็นแบบนะคุยกันต่อไป เมื่อสดเมืเห็นเสนกอ่อนข้อลงบ้างแล้วเจ้าเพูดสันทับออกไปว่าแม้เสียงไม่ดีเลยเขอโทษนะคอไม่ดีต้องปูกก็เราไม่ค่อยหวัดเมือสดไม่เห็นเสนกอ่อนข้อลงบ้างแล้วเจ้งพูดสันทับออกไปว่าอาจารย์เสนกอยากจะเรียกไออาจารย์เสเพท่านก็ทราบแล้วว่ากรรมที่คนก่อไว้ ถึงจะร่วมไปแล้วก็เป็นการแก้ไขอะไรไม่ได้กรรมย่อมสนมองแก่ผู้ก่อกรรมไม่มีใครจะสู้รบ ก, กับกรรมได้เพราะฉะนั้นทั้งใเจ้าไม่สามารถที่จะปลดเปรื้องให้พวกท่านและเวราชายพ้นจากทุกข์ได้ขอท่านอย่าหาทางแก้ไขเอาเองเถิด น, นี้มันต้องอย่างนี้ <c oughs> ความจริงอะจะทํานี้นับพร้อมแก้ไวแล้วแต่ถึงเวลาพูดเราต้องพูดย้ให้มันสำนักตัวังไม่เจ้าวิเทาราทรสอึดอัดในวัาไทายอย่างยิ่งเมื่อทรงเห็นใครจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวก็ไม่ได้ถ้างโมโหสดก็ไม่ยอมที่จะคิดช่วยเหลือจึงสองตำหือว่าเสนกุยมิวบายอะไรอะไรที่จะมีประโยชน์ยู่บ้างจึงรับสั่งถามเสนก ใกล้เสภเล ย, ยว่าอาจารย์เสนกไม่าไอ้ไอเสภมหาภัยที่กําลังเกิดขึ้นกับเราครั้นี้ท่านคิดด้วยว่าเราควรจะทํำยังไงอาจารย์เสณก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าควเรเอาไฟเผาเสียทั้งประตูประาสาทแน่ควเรเอาไฟเผาเสียตั้งแต่ประตูปราสาทให้พินาศไป หรือไม่ก็พวกเราก็พากันฆ่าพวกเราให้ตายเสียหมดเถิดอะไรย้ำอย่าให้ทัานที่พระเจ้าจุล น, นีขันทภมาจับพวกเราไปฆ่าเลยพระเถและก็เอาประสาทนั้นเป็นจิตใจการข้าเป็นเมนเถ ร, รโถรหน้าสงสาเนะเมื่อพระเจ้าอิทราชได้สดับคํากราบทูลของเสนาค้าเ้เสเพยไม่ทรงพอพระทย ยืนยันว่าเสนกท่านจงทําจิตการเช่นนั้นแกบุตรพัญญาเขาจ้าเถิดก็ทำเองสําหรับบุตพัญญาของแก่ลแล้วก็รับสั่งถามปุกุสะกามินเทวินตามลำดับปุกุสะก็กราบทูลมาขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ษษาเห็นว่าเราคนที่จะดื่มยาพิเทตายไปแล้วก่อ น, นอยาท่านให้ใบเจ้าจุล น, นีพระมทัานไปจับพวกเราเลย ในการนีงเรกราบทูลว่าขอเดชะพวกเราควรทาอัตติบายกรรมฆ่าตัวเองตายเจ้าเทวินก็กราบทูลว่าหากหมหสดไม่สามารถช่วยวผู้ไร้พ้นภัยนี้ได้ก็ขอที่โปรดสามีรับสั่งให้ทําตามที่อาจารย์เสียนกกลาบทูลเคยไปเจ้าค่ะเทวินได้ตัดพ่อต่อไปว่าพวกเราจะลองวิงวอนหมอสดอีกครั้งเนึ่ง หากวาสถไม่สามารถจะบดเรื่องพวกเราได้พวกาก็ขอให้พวกเราทำตามที่อาจารย์เซโนกราูนไว้ตอนนี้รีบนิดเพราะอาจารย์เวลามันเลยไปหน่อยพอหมดเ ว, าวลาชสนาหลูนหลานที่นักก็ต้องขอลาเนี่เลยเป็นนิดขอภยัยเจนาทีด้วยขอความสุขสวัสดิ์ิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีแด่บันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี